ทำไมความคิดคนเราถึงเปลี่ยนยากนักเพราะความคิดคือมโนกรรมถ้าเปลี่ยนความคิดได้ก็เท่ากับเปลี่ยนเส้นทางกรรมอันเป็นสิ่งเปลี่ยนยากที่สุดได้บางคนเดินทางไกลรอบโลกแต่ความคิดย่าอยู่กับที่ขณะที่บางคนอยู่แต่ในบ้านไม่ไปไหนถ้าว่าความคิด กลับโลดแล่นถึงไหนต่อไหนได้นั่นแสดงว่าที่ทำกรรมกันจริงๆไม่ใช่วัดกันที่มือแขนขาเท้าแต่ต้องดูกันที่ใจว่ารู้อะไรและคิดอะไรไปแค่ไหนแล้วและทุกคนก็กำลังทำกรรมด้วยใจอยู่ตลอดเวลาแต่ละคนมีทางกรรมเป็นเส้นตรง คลี่คลายไปตามลำดับอย่างต่อเนื่องถ้าไม่กลับไปกลับมาเป็นดีบ้างร้ายบ้างก็พอกูนขึ้นเรื่อยๆ เ, เป็นดีขึ้นหรือร้ายขึ้นเมื่อคุณดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันความดีจะมีพลังรักษาตัวเองไว้คุณจะคิดร้ายยากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าคุณเลวขึ้นเรื่อยๆทุกวัน ความเลวจะหวงตนเองไว้คุณจึงคิดดียากขึ้นทุกทีแต่ถ้าคุณดีบ้างร้ายบ้างสลับกันความดีปนเลวจะทำให้ใจแขว่งจึงยากที่คุณจะดีทนหรือเลวจริงประเด็นคือเมื่อคนคนหนึ่งรู้ตัวว่าคิดไม่ถูก อยู่บนทางกรรมที่ไม่ดีบางอย่างแล้วอยากเปลี่ยนความคิดแต่ความคิดเจ้า ก, กรรมดันไม่ยอมอย่างนี้จะให้ทำอย่างไรคงไม่ใช่เอาแต่นั่งคิดนอนคิดว่ามันยากแน่ๆคุณต้องมองดูความจริงขั้นพื้นฐานนั่นคือที่นึกว่าความคิดเป็นเรามันไม่ใช่ที่นึกว่าเราคุมความคิดได้หมด มันไม่เชิงความคิดที่อึงออนอยู่ในกะโหลกมาตลอดชีวิตแท้จริงเป็นสิ่งมีพลังอำนาจในตัวเองสร้างสมขึ้นจากเหตุปัจจัยที่มากพอถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่แรงเกินไม่ใช่เปลี่ยนแปลงไปตามใจอยากกันได้ดื้ อ, อธรรมดาคนเราจะลุกขึ้นมาทําอะไร ต้องมีแรงบันดาลใจอย่างน้อยต้องรู้สึกว่ามีคนทำได้และเราก็น่าจะทำอย่างเข้าบ้างแต่ละความคิดแต่ละความปักใจเชื่อต้องมีฐานความรู้สึกบางอย่างเป็นตัวตั้งเช่นถ้าจะคิดเชื่อว่าตัวเองรวยได้อย่างน้อยต้องมีแนวโน้มจะรวยช่วยหนุนได้แก่มีความรู้ มีไอเดียมีความภาคเพียรมีความอดทนตลอดจนเคยเห็นชะตาเข้าข้างมาบ้างไม่ใช่อยู่ๆไปให้ใครสะกดจิตว่าคุณจะรวยคุณจะรวยแล้วจะเกิดความฮึดเป็นสิบปีเปลี่ยนจากความคิดแบบคนขี้แพ้มาเป็นความคิดแบบคนชนะในชั่วข้ามคืนฐานความรู้สึกจึงเป็นตัวแปรสำคัญสูงสุด ถ้าอยากเปลี่ยนความคิดให้หาทางเพิ่มพูนความรู้สึกที่เล่าวันเช่นถ้าอยากมีแต่ความคิดแบบคนจะรวยให้หางานถนัดและไอเดียที่ไม่น้อยหน้าใครให้คลุกคลีกับคนที่เต็มใจเป็นและลงมือจริงไม่ใช่เอาแต่หลงตามความคิดว่าไม่มีทางรวยไม่ใช่คลุกคลีแต่กับคนโทษ ฟ, ฟ้าดินน้อยใจวาสนา หรือถ้าอยากคิดแบบคนมีความสุขให้คลุกคลีกับคนที่ยึดศีนยึดธรรมเป็นหลักชีวิตถ้าหาคนเป็นเป็นรอบตัวไม่ได้ก็หาหนังสือหาคลิปหาเพจหาเว็บบอร์ดอันเป็นที่อยู่ที่แจ้งเกิดของคนมีความสุขไม่ใช่หวังแต่จะหาเพื่อนที่จับต้องได้มาอุ้มไม่ใช่เอาแต่คลุกคลีกับคนช่างดา่าช่างนินทา พูดเราชี้แต่ความจริงคลุกคลีกับกลุ่มคนเช่นไรในที่สุดก็จะค่อยๆถูกหล่อหลอมให้เป็นคนเช่นนั้นนั่นเพราะฐานความรู้สึกจะค่อยๆมั่นคงเคยจินอยู่กับความเป็นเช่นนั้นมโนกรรมค่อยๆแปรตัวไปตามนั้นถึงจุดหนึ่งคุณจะพบว่าความคิดในหัวเต็มไปด้วยความชัดเจน บนเส้นทางกรรมแบบนั้นไปเองไม่ต้องฝืนใจแต่อย่างใดเลย